สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยด้วยความคิดถึงนะครับเราไม่เจอกันเกือบหนึ่งสัปดาห์ก็คือหนึ่งอาทิตย์เราพบกันหนึ่งครั้งนะครับเราพบกันที่นี่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 8 9 5 m e บเเมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนนผู้ดำเนินรายการ ก็มาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับด้วยสาระแล้วก็บันเทิงที่จะทําให้คุณมีทั้งความสุขแล้วก็ความสบายใจนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าวันนี้ทั้งสี่ช่วงของรายการมรดกไทยมีอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการแจ้งรายการให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเผื่อว่าคุณผู้ฟังได้รับทราบเนื้อหาทั้งสี่ช่วงแล้ว ก็จะได้อยู่กับเราตลอด1ชั่วโมงอย่างมีความสุขนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงอ2องสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเองได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดสุรา ธ, ธานีนะครับมีภารกิจในเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดสุรา ธ, ธานีวันนี้ก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวของสุรา ธ, ธานีในแง่มุมที่น่าสนใจนะครับ ในช่วงมรดกเพลงไทยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตนะครับกลับไปฟังเพลงที่มีอายุเกือบ20ปีแล้วเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครจากเรื่องบ่วงบันจะถอนนะครับเป็นเพลงที่มีความเพราะมากแล้วก็เป็นเพลงปโปรดของผมแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านวันนี้จะได้รับทราบประวัติเรื่องราวของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสด์มาดูในช่วงที่2มรดกวิถีไทยนะครับ บอกแล้วว่าวันนี้พูดเรื่องราวของสุราธานีเมื่อไปสุราธานีก็ต้องไปกราบน้มัส ก, การสาการะพระธาตุไชยานะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุไชยาแล้วก็แถมด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาสําหรับช่วงที่สามมรดกภูมิปัญญาไทยและถ้าไปสุราธานีก็ต้องไปซื้อไข่เค็มที่ไชยาช่วงที่4มีมรดกทางภาษา เราพูดถึงเรื่องพระาธาตุชยามวยชายาไข่เค็มชายาวันนี้จะพูดถึงตำนานแล้วก็เรื่องเล่าของพระาธาตุชยาเรียกว่ามีความตื่นเต้นสนุกสนานมากครับเรื่องตำนานเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งสี่ช่วงนะครับผมคิดว่าจะนำทั้งสาระแล้วก็ความรู้มาฝากคุณฟังและสิ่งที่นำมาฝากแน่แน่ก็คื อ, คอเพลงเพราะๆบอกได้เลยว่านี่คือสัญลักษณ์ของรายการมรดกไทยมีเพลงดีๆเพลงที่ ได้รับการคัด ส, สันแล้วว่าดีมากถึงมากที่สุดมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขั้นแป๊บเดียวนะครับแล้วเรากลับมาพบแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยครับ FM 89.5 MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ช่วงที่ 1. มรดกเพลงไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ภูมิใจเสนอเพลงบ่วงรักซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องบ่วงบรรทอนนะครับเพลงนี้มีอายุเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าดูจากประวัติเรื่องราวของเพลงนี้นะครับเพลงนี้ประกอบละคร น, นะครับซึ่งออกอากาศตั้งแต่วันที่11เมษายนพศ2545จนถึง30พฤษภาคมพศ2500 45นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอประวัติของนักร้องก็คือคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสด์จริงๆแล้วคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการมรดกไทยเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะเปิดเพลงของคุณสรัญญาบ่อยๆ อ, อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าคุณสรัญญานั้นเป็นนักร้องคุณภาพมีเพลงเพราะๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียงเพลงนะครับที่เธอขับร้องนั้นเป็นเพลงอมาตะ ทั้งเพลงในยุคปัจจุบันเพลงในอดีตเรียกว่าใครที่ชอบนักร้องคุณภาพรับรองว่าเสียงของคุณสรัญญาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะประทับใจนะครับต่อไปจะเป็นประวัติเรื่องราวของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดนะครับคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดเป็นนักร้องหญิงชาวไทยร้องเพลงในแนวลูกกรุงหรือเพลงไทยสากล น, นะครับก็ออกอัลบั้มชุดแรกเมื่อปีพศ2532อา อ, 25อัลบั้ม แตรงที่หัวใจแล้วก็มีเพลงอยากหยุดเวลานะครับเพลงนี้มีนักร้องหลายๆคนเอามาร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้ในการประกวดร้องเพลงนะครับคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2501ในประวัติบอกว่าครอบครัวนะครับมีอาชีพเกี่ยวกับการทำหนังสือนะครับโดยครอบครัวของคุณสรัญญาเนี่ยก็ผลิตนิตยสารหนังสือมากมายเช่นเขาบอกว่ามีทั้งสกุลไทยหญิงไทย แล้วก็กุลสตรีนะครับคุณสรัญญาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีนะครับแล้วก็ไปต่อในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่คณะอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษโทภาษาฝรั่งเศสจากนั้นก็ไปเรียนต่างประเทศนะครับที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการศึกษานะครับก็ ได้มารู้จักกับคุณเรวัดพุทธินันท์แล้วก็เซ็นสัญญานะครับเป็นศิลปินในสังกัดเมื่อปีพศ2531แล้วก็ออกอัลบั้มนะครับชุดแรกก็คือแปลกที่ตรงหัวใจแล้วก็มีเพลงอยากหยุดเวลานี่แหละที่ทำให้ทุกคนรู้จักเอกลักษณ์ของคุณสรัญญาก็คือเป็นนักร้องเสียงสวยเสียงใสเรียกก็ฟังแล้วสบายใจแต่ละเพลงนั้นเป็นเพลงที่ ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งกินใจนะครับแล้วก็มีอัลบั้มชุดที่2นะครับมีเพลงฮิตอย่าง2เวลาน้อยไปอีกหรือเขว้งคว้างนะครับอัลบั้มชุดนี้ก็ขายได้เป็นล้านล้านตลับเลยนะครับคุณผู้ฟังเรามาดูรางวัลที่คุณสรัญญาได้รับนะครับนะับเป็นความภาคภูมิใจของนักร้องเพราะว่าเธอได้รับรางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสากล จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในปีพศ2534จากเพลงอยากหยุดเวลาแล้วก็มีอีกรางวัลใหญ่ๆนะเช่นรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานนักร้องหญิงยอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสากล น, นะครับเขาจัดเป็นปีแรกเมื่อปีพศ2539เพลงที่ได้รางวัลคือเพลงฝากชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาดูผลงานหลักๆนะครับ 2,532 อัลบั้มแปลกที่ตรงหัวใจอพศออ 2,534 อัลบั้มต่างกันที่เวลาอัลบั้ม 2,536 จดเธอไว้ในใจแล้วก็ 2,537 รวมเพลงรัก3เวลานะครับเราก็ยังมีอัลบั้มอื่นอีกมากมายและที่สำคัญนะครับคุณสลัญญาทรงเสริมสวัสด์ได้ ร้องเพลงไทยลุกกรุงเพลงไทยสากลเก่าๆในอัลบั้มชุดไหมไทยชุดสุนทรพรแล้วก็มี You c o l l u s Project ดาวร้อยเดือนแล้วก็ในานามของความรักนี่คือผลงานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเอาละครับเราก็ได้รับทราบเรื่องราวของคุณสรัญญาทรงเสริมสวัสด์แล้วเรามาดูเนื้อเพลงนะครับแม้เราจะต่างด้วยการเวลาความรักยังพาให้เราพบกันชาตินี้ชาติไหนหัวใจผูกพัน อุปสรรคใดนั้นไม่อาจขวางกั้นรักเราพูดถึงการเวลานะครับก็ทำให้ผมสะดุดใจสะดุดหูก็คิดว่าวันนี้จะนำเพลงนี้มาประกอบในรายการนะครับคุณรู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาอิ่มเอมนะครับมีความสุขกับเพลงนี้แล้วกันและเพลงนี้คือเพลงบ่วงรักเพลงประกอบละครบ่วงบรรจถนน้ำเสียงการขับร้องของคุณสัญญาส่งเสริมสวัสด ขอเชิญทุกท่านรับฟังครับ ก็ใใ cùng ไม่หวันว่นไหวถ้าได้ตายเียงข้างกับเธอ ในน้ำ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 s วีทเ f m เอ็มแปดสิบเวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02 691 773 88ึง คุณผู้ฟังครับผมจัดรายการวิทยุมาหลายสิบปีนะครับทุกครั้งที่ได้เปิดเพลงทุกครั้งที่ได้นำเสนอเรื่องราวดีๆนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทั้งสาระแล้วก็เสียงเพลงจะทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขนะครับเรามาเดินไปสู่ถนนแห่งความสุขในช่วงที่2นะครับมรดกวิถีไทย คุณผู้ฟังครับเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้จะนําเสนอประวัติของพระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมืองชัยยานะครับนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับเป็นพันๆปีในสมัยก่อนมีการค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะพบเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยแล้วเราก็คิดว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยจะอยู่ส่วนไหน จะอยู่ที่เกาะสุมารตราหรือไม่หรือว่าอยู่ทางใต้ของประเทศไทยแต่ว่าจากหลักฐานโบราณคดีการค้นพบศิลาจารึกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปต่างๆก็ชี้ชัดเลยนะครับฝันทงว่าที่ชา ย, ยานี่แหละคือที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับนักโบราณคดีชาวอินเดียชื่อมาชุมทานได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของสุวรรณทวีป บอกว่าสวนตะวีปก็คือคาบสมุทรมาลายูตอนเหนือตลอดจนหมู่เกาะมาลายนะครับซึ่งอาณาจักรศรีวิชัยเมืองหลวงเนี่ยก็อยู่ทางตอนเหนือก็คืออยู่ที่ชา ย, ยาส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโบราณวัตถุและก็โบราณสถานต่างๆที่เขาค้นพบที่เมืองชา ย, ยานะครับเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยก็ดูจากศิลาจารึกหลักที่ 23ที่ได้จากเมืองชายาส่วนศิลาจารึกหลักที่24นะครับคุณผู้ฟังก็ได้จากวัดเสมาเมืองนะครับนครศรีธรรมราชก็กล่าวถึงพระเจ้าจันทระพานุศรีธรรมราชาคลองกรุงตามพรลิงก็คือนครศรีธรรมราชนั่นเองในศิลาจารึกนะครับก็มีหลักฐานสำคัญของที่ตั้งอาณาจักรศรีวิชัย ในอักษรที่จาลึกนะครับพระเจ้ากรุงศรีวิชัยได้รบมีชัยชนะแล้วก็ขยายอาณาเขตไปได้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ได้สร้างปราสาทอิดขึ้นมาสามปราสาทเพื่ อ, เ, อ, อเป็นการบูชาแก่พระโพธิสัตว์ผู้ที่ระจญแล้วก็ปราบมารสำเร็จนะครับและในยุคนั้นนะครับพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรือง แล้วที่ชายาเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแล้วก็มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปยังประเทศหรือหัวเมืองอที่ใกลเขียงนะครับเจ้าผู้ครองคนครศรีวิชัยได้สร้างสิลาจารึกแล้วก็ปราสาทอิฐที่ชายาเมื่อพศ .1318 สน13นะครับต่อมาเมื่อปีพศ1322พารสอ 22, พระเจ้ากรุงศรีวิชัยได้ไปรบชนะชวา จึงได้สร้างเจดีกาลสันซึ่งมีรูปแบบเจดีคล้ายกับปราสาทอิดที่วัดแก้วนะครับที่ชัยยาพร้อมกับสร้างศีลาจารึกเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังไม่งงนะครับเดี๋ยวจะพยายามเล่าไปเรื่อยโบราณสถานที่แสดงว่าชัยยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยก็มีการสร้างปราสาทอิดนะครับมีเจดีที่พระเจ้ากรุงศรีวิชัย สร้างไว้ในชวาซึ่งทางตอนใต้แล้วก็ยังได้สร้างเจดีจามปาะนะครับทางตะวันตกเหมือนกับปราสาทอิดวัดแก้วซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างถวายพระโพธิสัตว์นอกจากนั้นพระเจ้ากรุงศรีวิชัยยังได้สร้างปราสาทอิดวัดเวียงแล้วก็ปราสาทอิดวัดหลวงซึ่งแบบอย่างการก่อสร้างนั้นสวยงามปราณีตอิดที่ใช้ต่อกันเนี่ยสนิทมากนะครับ คล้ายๆกับใช้ปูนเนี่ยมาฉาบทีเดียวเขาว่าไว้อย่างนั้นโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยที่พบในชยามีมากกว่าแหล่งอื่นรูปแบบลักษณะของศิลปะวัตถุมีความงดงามในพุทธศินแล้วก็พบอยู่ทั่วไปในเขตชยาจากซากโบราณสถานต่างๆในชยยาที่ยังเหลือหลักฐานก็มีซากกำแพงเมือง หลักเมืองมีวัดเวียงแล้วก็ซากอิฐทั่วเมืองชายาัยยะส่วนชื่อชัยยะนั้นคงใช้เรียกย่ อ, อนะครับมาจากคําหลังว่าศรีวิชยะนะครับเขาบอกว่าด้วยสําเนียงของการพูดทางภาษาใต้ที่มักจะนําหน้านะครับมีการตัดคําบางคําหายไปเช่นพูดคําว่าเมืองนครเป็นเมืองคอนยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พูด เมืองคําว่าพัทลุงเป็นลุงอะไรอย่างเงี้ยในนี่เป็นตัวอย่างคําที่เพี้ยนหรือว่ากล่อนไปนะครับดังนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าศรีวิชยะนะครับตอนหลังก็เรียกมาเป็นชยชยาประมาณนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทําให้เรารู้ถึงเรื่องความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของอาณาจากักรศรีวิชัยที่เมืองชยาว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ คุณผู้ฟังยังไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชชยาสถานที่แห่งนี้นะครับก็สร้างเป็นอาคารสามหลังมีการจัดแสดงศิละปะโบราณวัตถุก็ตั้งอยู่นอกกำแพงวัดนะครับอยู่ด้านทิศ ต, ตะวันออกถ้าคุณผู้ฟังเข้าไปที่วัดนะครับจะสังเกตเห็นชัดเจนภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุชายาซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชายาก็เป็นหน่วยงานราชการสังกัด สำนักศิลปรกรที่ 14, ส4นครศรีธรรมราชนะครั บ, ก ร, รบรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นพิ พ, ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่แสดงประวัติศสาสตร์ศิลปะโ บ, บราณคดีนะครับนอกจากนี้ก็มีหน้าที่เก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วก็ให้บริการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับพิ พ, ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชายาเกาะตั้งขึ้นนะครับ เมื่อปีพศส4 7 8ัน่อเนะครับเนิ่นนานทีเดียวโดยท่านพระครูโสพลเจตสิการามนะครับอดีตเจ้าอาวาสคณะอำเภอชายาซึ่งในระยะเริ่มแรกท่านได้รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถในพระวิหารหลวงนะครับแล้วก็พระระเบียงต่อมากลมศิลปกรได้พิจารณา ได้รับโบราณวัตถุต่างเนี่ยนำเก็บรวบรวมนะครับโดยใช้ชื่อหน่วยงานในตอนนั้นว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมขึ้นครั้นเมื่อปีพศ2493ท่านพระครูอินทรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุชยาเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชยา ได้เริ่มสร้างอาคารพิ พ, ธพิธภัณฑ์โดยได้เงินจากการจำหน่ายหนังสือเรื่องแนวสังเขตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนนะครับแล้วก็ก่อสร้างเป็นอาคารเป็นลักษณะของอาการก่ออิทถือปูนแบบไทยๆนะครับก็แล้วเสร็จเมื่อปีพศ2495ซึ่งต่อมาในปีพศ2499 ก็มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นนะครับเป็นหลังที่สองทางด้านทิศเหนือซึ่งใหญ่กว่าหลังแรกสร้างด้วยเงินงบประมาณของกลุ่มศิลปกร น, นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องร า, ราวคร่าวๆของพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยยานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปไหว้พระธาตชัยยา <S <S <ๆ>ก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมที่พิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราก็เล่าเรื่องราวของพระธาตุชัยยาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชัยยามาเนิ่นนานพอสมควรแล้วตอนนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปนะครับ เติมเต็มชีวิตฉันในสดใส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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นวิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแเมกเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ เมื่อคุณผู้ฟังเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะนึกถึงการไปเที่ยวชมความงดงามของเกาะสมุยการชมโบราณสถานการไปเที่ยวเคลหรืออื่นๆอีกมากมายที่สุราษฎร์ธานีนะครับเรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเวลาคุณผู้ฟังไปสุราษฎร์ธานี ก็คือการไปซื้อไข่เค็มชยานะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของไข่เค็มชยาเอาเป็นว่าตอนนี้มาดูเรื่องราวประวัติของไข่เค็มชยากันก่อนประวัติความเป็นมาของไข่เค็มชยานะครับก็มีเรื่องเล่า ว, ว่าไข่เค็มชยานี้เกิดขึ้นในสมัยที่รัฐบาลกำลังสร้างทางรถไฟสายใต้โดยมีนายจีแซซิกนะครับทําหน้าที่สร้างสะพานเหล็ก ตั้งแต่ชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีและเขาก็เป็นคนที่คิดค้นสูตรการทำไข่เค็มขึ้นมาซึ่งแต่เดิมนั้นชาวชะยาก็ได้มีการนำไข่เป็ดนะครับนำมาหมักเพื่อให้มีรสชาติเค็มอยู่แล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต่อมาในจีแซ ส, สิกนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ได้คิดค้นวิธีการนำเอาดินเหนียวเนี่ยมาผสมกับเกลือปน่น จากนั้นก็นำดินเหนียวมาพอกคุ้มไข่เป็ดเอาไว้ปิดให้สนิทเลยนะครับแล้วก็นำไปคลุกกับที่เท่าอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็รสชาติดีกว่าเดิมแต่เนื่องจากดินเหนียวที่เกาะไข่นั้นเกาะได้ไม่นานนักจึงได้มีการนาเอาดินปลวกนะครับเอามาใช้แทนแล้วปรากฏว่าไข่เค็มนั้นมีรสชาติอร่อย แล้วก็เค็มพอดีนะครับแถมยังนำมาขายได้ราคาดีเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวชายาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนมาเป็นสินค้าที่เรียกว่าไปสุราษฎร์ต้องซื้อไข่เค็มชายานะครับโดยในเวลาต่อมาชาวบ้านนะครับในตลาดชายาก็ได้นำเอาสูตรเนี้ยของนายจีแซซิกเนี่ยเอามาทำไข่เค็มนะครับเอาไว้รับประทานกันแล้วก็ ทำขายจนกระทั่งแพร่หลายมีชื่อเสียงมากมายเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอย่างผมอย่างคุณผู้ฟังที่ไปอำเภอชายาหรือไปสุราษนะครับก็จะไปซื้อไข่เค็มนะครับเอากลับมาเรามาปรุงเอามารับประทานอะไรก็แ ล, แ, แล้วแต่เราก็ติดใจในความอร่อยของไข่แดงนะครับที่มันอร่อยรสชาติที่ไม่เหมือนไข่ด้วยความพิเศษของไข่เค็มชายาเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่เค็มชายานั้น มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงไข่เค็มช ย, ยานะครับก็มีการแปลรูปจากไข่เป็ดสดนะครับมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีทำให้ได้ไข่เป็ดที่มีคุณภาพทีนี้ชาวบ้านเขาบอกด้วยนะครับว่าเป็ดที่เลี้ยงเนี่ยเขากินอาหารที่ดีกินหอยเอาหอยมาทุบผสมกับอาหารเนี่ยเป็ดก็เลยให้ไข่ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีที่จะมาทาไข่เค็ม แล้วก็ไข่เค็มนี้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องกลัวเสียนะครับเพราะด้วยการผลิตจากกรรมวิธีธรรมชาติที่ใช้หลักการถนอมอาหารจึงทำให้ไข่เค็มนั้นเก็บได้นานข้อสำคัญนะครับไข่เค็มนีดูสวยน่าทานโดยไข่แดงเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนมีความอร่อยนะครับจนหลายๆท่านติดใจวิธีการก็คือสามารถเอาไข่เค็มเนี่ยมาทอดเป็นไข่ดาว หรือนำมาต้มก็ได้ซึ่งต่างไปจากไข่เค็มทั่วไปผมเองเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไ ข, ข่เค็มชา ย, ยาก็คือไ ข, ข่เค็มพร้อมทานที่เรียกว่าปอกเปลือกแล้วก็เป็นไข่เค็มที่กินกับข้าวต้มได้ความจริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องนำมาปรุงอีกทีหนึ่งเช่นเอามาต้มเอามาทอดเอามาทำเป็นไข่ดาวอย่างที่เราให้ฟังคุู้ฟังครับมาดูวิธีการทาไข่เค็มชา ย, ยานะครับ สำหรับบางท่านที่ต้องการทำไข่เค็มด้วยตัวเองนะครับก็สามารถทำได้โดยมีสูตรไข่เค็มชายาง่ายๆดังนี้นะครับก็จะมีไข่เป็ดนะครับโดยคัดเอาไข่เป็ดขนาดฟองโตๆแบบเบอร์ น, น, นะครับเป็นไข่เป็ดที่มีคุณภาพดีสดใหม่เปลือกหนาแล้วก็มีรูปทรงนะครับที่ดีไม่แตกร้าวง่ายจากนั้นก็ไปเอาดินจอมปลวกนะครับ เขาบอกว่าเพราะว่าเป็นดินที่สามารถจับมาผสมน้ำแล้วเนี่ยแล้วเอามาพอกไข่เนี่ยจะเกาะไข่ได้ดีและก็ยังทำให้ไข่เค็มนั้นมีรสชาติอร่อยแล้วก็ใช้เกลือเพื่อใช้ในการหมักให้ไข่มีรสเค็มนอกจากนี้ก็มีขี้เถ้าแกลบนะครับเขาบอกว่าจะช่วยให้ดินเกาะไข่ได้นานขึ้นและทำให้ไข่เค็มนั้นมีรสชาติดีกว่าเดิมวิธีทาก็คือ การทำไข่เค็มนะครับให้นำไข่เป็ดที่เตรียมไว้มาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเตรียมดินให้พร้อมโดยการนำดินจอมปลวกนะครับมาผสมคลุกเคล้าเข้ากับเกลือแล้วก็น้ำผสมกันเล็กน้อยจนเข้ากันแล้วนำไข่เป็ดเนี่ยลงไปจุ่มในดินที่เตรียมไว้โดยให้คลุกจนดินเคลือบทั่วฟองไข่แล้วก็มีความหนาพอสมควร นำไปคลุกกับพี่เท่าแล้วก็แกลบอีกทีหนึ่งขั้นตอนก็หลายขั้นตอนทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังจากนั้นก็รอเวลานะครับเอาไข่เป็ดเนี่ยนะครับไปเก็บไว้จนกลายเป็นไข่เค็มที่มีรสชาติอร่อยน่าทานนะครับสำหรับระยะเวลาในการหมักไข่เค็มเขาก็มีสูตรเหมือนกันนะครับเช่นถ้าคุณผู้ฟังหมักไข่เค็ม 1-5 วันก็สามารถนำมาใช้ต้มได้ ถ้าหมักไข่เค็ม3าถึงเวันก็นํามาทอดเป็นไข่ดาวถ้าหมักไข่เค็ม1 0บถึงสิวันก็นํามาทําเป็นไข่ต้มได้หมักไข่เค็ม1 5บหถึงยีวันสามารถนํามาทํายําไข่เคม็มหรือทําไส้ขนมได้ทีนี้มาดูประโยชน์ของไข่เคม็มสําหรับประโยชน์ของไข่เค็มนะครับก็มีดังนี้ก็คือว่าสังเกตดีๆนะครับไข่เค็มก็จะอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินนะครับมากมายมหาศาล ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีทานได้ทุกเพศทุกวัยก็สำคัญก็จะบอกว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้นะเพียงทานไข่เค็มช่ยาาบ่อยๆเขาบอกว่าเนื่องจากไข่เค็มเนี่ยเต็มไปด้วยโคลีนซึ่งมีส่วนช่วยในการบํารุงสมองและก็การทำงานของระบบประสาททำใหเ้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับระบบความจาดีขึ้นแล้วก็ไข่เค็มเนี่ยยังสามารถ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับคุณผู้ฟังครับไข่เค็มชายาเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากใครไปนะครับถ้ามีไข่เค็มชายามาฝากนี่ผู้รับนี่จะยิ้มแก้มปลีเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับไข่เค็มชายาก็มีรสชาติอร่อยแล้วก็ได้รับความนิยมข้อสําคัญก็คือต้องซื้อของแท้นะครับ อยากซื้อไข่เค็มปลอมคือไม่ได้ผลิตที่ชายาเรีว่าผลิตที่อื่นมารสชาติก็จะไม่ดีเท่ากับไข่เค็มที่ชายาดังนั้นมีของฝากไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวทั่วไทยช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าซื้อของฝากมาแล้วอยากจะฝากสิ่งดีๆให้กับผู้รับก็คือฝากรอยยิ้มฝากความปรารถนาดีและฝากความมีน้ํำใจให้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลา ก็จะทำให้สังคมของเรามีความสุขอันนี้ฝากด้วยนะครับ ฝากเอาไว้กายเธอให้เธอรไออุ่นนไอละมุนไปจากฉันเพราะมันจะคอยติดตามไปกับตัวเธอนันนานเท่านานที่เธอไกลพรนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นร ฝากเอาไว้ในใจเธอให้จดจงคนหนึ่งจาคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยแต่เธอ ไว้ในใจเธอให้จดจังคนหนึ่งจังคนที่เธอเคยผู้พันเพราะฉันจะคอยแต่เธอคอยแต่เธอเธอท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาบทเพลงที่ส่งคุณค่า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 เชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมไปนมัสการไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุชยาก็เกิดคําถามว่าวัดพระธาตุชยาเนี่ยเกิดมากี่ปีมีตำนานว่าอย่างไรนะครับก็เลยไปค้นข้อมูลมาแล้วเมื่อเจอข้อมูลก็รู้สึกตกตะลึงพึงเพลิดกับความมหัศจรรย์ในเรื่องของตำนานเรื่องเล่านะครับอันนี้ขอย้ําว่านี่เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็มีความน่าสนใจนะครับจากคําบอกเล่าของชาวเมืองชยาได้มีตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับเจดีพระบรมธาตุชายาว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องชาวอินเดียสองคนชื่อปะหมอกับปะมันนะครับทั้งสองคนเดินทางมาโดยเรือใบเข้ามาที่เมืองชายาก็ได้พาบริวารขึ้นบกนะครับ เมืองชายาที่ตำบลเลเม็ดเจ้าเมืองได้มอบหมายให้ประหมอซึ่งเป็นนายช่างที่มีความชำนาญในเรื่องของการก่อสร้างให้สร้างพระเจดีย์พระบรมธาตุชายาหลังจากที่ใช้เวลาแลมปีนะครับสร้างจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเจดีย์พระบรมธาตุชายาเนี่ยมีความสวยงามมากใครพบใครเห็นต่างก็ชื่นชมดังนั้นหลังจากสร้างพระธาตุเสร็ เจ้าเมืองก็เลยจัดการตัดมือตัดเท้าของผู้ที่สร้างพระธาตุชยาจุดประสงค์นะครับฟังดูแปลกๆเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ป harma ไปสร้างเจดีย์ที่งดงามเช่นนี้ให้ผู้อื่นป h a r นะครับหลังจากถูกตัดมือตัดเท้าตามตำนานเล่าว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ถึงแก่ความตายเจ้าเมืองจึงได้หล่อรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนไว้ เป็นเครื่องหมายแทนตัวประมอส่วนน้องชายที่ชื่อประหมันก็ให้ไปคลองเกาะพัดหมันสําหรับสถานที่ตั้งบ้านเรือนของประมันก็เป็นที่ดอนน้ําท่วมไม่ถึงมีนาล้อมนะครับมีเนื้อที่ประมาณหึไ ร, เร่เศษสมัยโบราณนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้านมากมีการล่ำเลอกันว่าคณะมโนราที่เดินทางผ่านจะต้อง หยุดไหว้ร้องรำแล้วก็ถวายมือคณะใดไม่เคารพคณะนั้นก็จะเกิดอาการนะครับเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าชักหรือเกิดอาการเหตุขัดข้องต่างๆในการแสดงและยังบอกว่าถ้าใครไปตั้งคอกเลี้ยงหมูในบริเวณดังกล่าวหมูจะตายทางคอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันก็ฟังดูสนุกสนุกนะครับคุณผู้ฟังนี่เรื่องราวของตำนาน ก็อาจจะมีความเนื้อจริงอะไรมากมายมหาศาลปัจจุบันนะครับเจดีพระบรมธาชยยาก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยนะครับเป็นเจดีองเดียวที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นนะครับประมาณพุทธศตรวรรษที่13ถึง14ก็จริงๆเราไม่ปรากฏประวัติการสร้างและก็ผู้สร้างส่วนตำนานที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ ก็เป็นเรื่องตำนานเล่าขานนะครับเข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมืองช ย, ยาสมัยศรีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรือ ง, งสูงสุดนะครับและจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ใช้ภาพของเจดีย์พระบรมธาตุช ย, ยานี่แหละเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจําจังหวัดแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในธงประจํากองนี่คือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของพระธาตุช ย, ยาแล้วก็ตำนานที่ฟังดูแปล ก, ปลกมีความน่าสนใจ ก็นำมาเล่าในช่วงมรดกทางภาษากล่าวถึงตำนานนะครับคุณผู้ฟัง จะ บ, บินไปหากันจะทุกขจะยากหากจะรักกันก็ต้องมีวันที่คงได้สมดังใจแรกพสบสดตาเทานั้นมั่นใจว่าฉันรักเธอรักเธอทันใด เธอแล้วเหมือนกันหรือไม่ถ้ารักกันแล้วเรื่องดดๆไม่ต้องวาดวันฉันจะรักเธอคนนี้จะร้ายธอดีต่อจากนี้ก็ไม่ซัำ สเสมอว่าเธอกับฉันถ้าเรารักกันฝากฝากก็เพืน ก็ไม่สำคัญฉันเชื่อเสมอว่าเธอ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 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเต็มอิ่มกับเรื่องราวของพระธาตุชัยยาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ สัญญานะครับว่าจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวดีๆของจังหวัดต่างๆทั้งภูมิปัญญาไทยมรดกวิถีไทยแล้วก็อื่นๆมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าในแผ่นดินไทยของเรานั้นเต็มไปด้วยภูมิปัญาวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราชาวไทยทุกท่านนะครับมองดูเวลาตอนนี้รายการมรดกไทยก็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 ขอขอบคุณมากๆขอบคุณและก็ซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะฟังสดฟังออนไลน์ฟังย้อนหลังก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะครับเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าในวันเวลาและสถานีวิทยุแห่งนี้สำหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ